ภาษามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นสมูทยัยภาษามีอะไรนะอยนายตนะมีอยายตนะเจตนาเดี๋ยวเราดูเจตนาก่อนหนึ่เจตนาท่านเรียกอมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณก็ได้แก่จิตพระพุทธเจ้าแสดงอาหารสี่ไว้เป็นหมวดเดียวกันด้วยอำนาจแห่งอาหารที่เป็นอุปาทินกะรู้จักอุปาทินกาไหมที่มีกรรมอันตันหาและทิฏฐิไง เข้าไปติดย mm. kind of yes. ึดไว้ด้วยความเป็นผลนะนะอนุปาทินกาด้วยประการชนนี้กัลวินกาลาหารเป็นอุปาทินกาก็มีเป็นอนุปาทินกาก็มีใช่ไหมใช่กัลวินกาลาหารที่เกิดจากกรรมก็มีที่ไม่ได้เกิดจากกรรมก็มีเห็นไหมมอกใชมาหเออาหารที่เกิดจากกรรมเป็นยังไงเนี่ยนะเข้าไปยึดไว้ด้วยความเป็นผล <Jub ilee> และเป็นอนุปาท <describes> ิน <rene> ิกะก็มีภัสสะเป็นต้นก็เหมือนกันภัสสะที่เป็นอุปาทินิกะและเป็นอนุปาทินิกะมีไหมมียังไงแค่ผัสสะของพระลรหันเนี่ยผัสสะเจตนาเจตนาที่เป็นอุปาทินิกะที่เป็นอนุปาทินิกะที่เป็นของปุตุชนเศคาของพระลรหันเนี่ยเนียวิญญาณที่เป็นอุปาทินิกะที่เป็นอนุปาทินิกะมีนะก็บอกว่า กอริงกล า, าหารที่เป็นอุปาทินกะด้วยอำนาจด้วยอำนาจยังไงเอ๊ะถ้าเราดูเนี่ยพวกกบเนี่ยพวกกบเนี่ยเป็นอาหารของไขอาหารข้องงูใช่ไหมกบนี่เป็นอาหารข้องงูถูกงูกืนเข้าไปก็อยู่ในอยู่อยู่ใ น, ในท้องที่มีชีวิตอยู่ช่วระยะเวลาเล็กเกน้อยเท่านั้นกบเหล่านั้นจะตาบไดที่ยังอยู่อยู่ฝ่ายอุปาทินกะก็ไม่สําเร็จประโยชน์เป็นอาหารตรับนั้น เข้าใจถ้าตราบใดยังไม่ตายอ่ะยังไม่เชื่อว่าเป็นอาหารในขกระดาอยู่ในท้องนะในท้องโ ง, โงูใช่ไหมยังไม่เชื่อว่าเป็นอาหารแต่เมื่อทำลายไปเมื่อแต่ว่าแต่เมื่อทำลายไปอยู่ในฝ่ายอนุปาทินากาศจึงสําเร็จเป็นอาหารได้เข้าใจคานี้ไหมเนี่ยพอถ้าหากว่าไม่มีตัณหายึดครองอัตภาพของตนเองแล้ว มันตายนะมันหลุดไปแล้ว <c oughs> เป็นอาหารไหมต่นนี้เป็นไหมทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้นะเราดูบอกว่าไอ้ตัวกรรมมัชรูปเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยอาหารนั้นนะ่ะนะอาหารนั้นนะ่ะย่อมหล่อเลีย้ยงชีวิตไปจนถึงวันที่เจ็ดใช่ไมอาหารนั่นแหละพึงทราบว่าเป็นกาวลีกลาหารที่เป็นอุปาทินกะต เพราะอาหารที่เกิดจากกรรมนี่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้จนถึงเจ็ดวันเนอะเจ็ดวันนั่ น, นแหละคือเป็นอาหารที่เกิดจากกรรมหล่อเลี้ยงไว้ได้อยู่ได้เป็นอาหารที่เป็นอุ ป, ปาทินอกาก็แปลว่าจริงๆแล้วในลักษณะของสภาพอาหารเนี่ยนะนะมันมีตัณหา ย, ยึดไว้ด้วยความเป็นผลด้วยนะตัณหา ย, ยึดไวตัณหาและทิฏฐิด้วย แต่วลิงกลาหารเป็นที่เป็นอุปาทินกะภาษะเป็นต้นที่เป็นอุปาทินกาพึงทราบด้วยอำนาจแห่งวิบากันเป็นไปในภูมิ3นะถามว่าที่เป็นไปในภูมิทั้ง3ที่เป็นไปในกาลปรภูมิรูปประภูมิและอารมปภูมิเนี่ยมันมีอาหารทั้งนั้นใช่ไหมที่เป็นไปในส่วนวิบากที่เป็นอนุพัสปารินกาก็ทราบโดยกุศลจิตอกุศลจิตและกิริยาจิตที่เป็นไปในภูมิทั้งสา ส่วนที่เป็นโลกุตระท่านกล่าวไว้ว่าโดยโดยที่กินโดยความถึงด้วยว่าไงทีนี้คําว่าอาหารเนี่ยท่านแปลว่าปัจจัยใช่ไหมอาหารละนี่แปลว่าปัจจัยอาหาราาเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรเมื่อปัจจัยแม้เหล่าอื่นของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงแสดงอาหารสี่บอเออปัจจัยทั้งหลายของสัตว์ก็มีอยู่แต่ทําไมพรพุทธเจ้าจึงแสดงอาหาร พระพุทธเจ้าตรัรสด้วยว่าเพราะอาหารเป็นปัจจัยพิเศษของความสืบต่อสันติภายในฉะนั้นอาหารสี่อาหารเนี่ยนะเป็นปัจจัยพิเศษที่สืบต่อในภายในเนะกาวลิงกราอาหารเป็นปัจจัยพิเศษแห่งรูปประกายของสัตว์ทั้งหลายที่มีเกาวลิงกราหารเป็นพักษาเห็นไหมอันนี้เป็นปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยพิเศษแห่งรูปประกายของสัตว์ทั้งหลายที่มีเกาวลิงกราาหารเนี่ยเป็นพักษาหรือว่าจะอยู่ด้วยประเภทอาหารประเภทนี้ สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ผัสสหารเป็นปัจจัยพิเศษแห่งเวทนาในนามกายถามบอกว่าผัสสหารนี่เป็นปัจจัยแก่เวทนาในนามกายหมเวทนาในนามขันเนี่ยในนามขันสามอ่ะเข้าใจคำนี้ไหยโยมูเนี่ยผัสสหารเป็นปัจจัยพิเศษแก่เวทนาในนามขันหรือนามนามกายนั่นแหละมโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยพิเศษแห่งวิญญาณ วิญญาณอาหารเป็นปัจจัยพิเศษแห่งนามรูปเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ดํารงอยู่ได้เพราะอาหารอาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้ไม่มีอาหารดํารงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพ่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็ฉันนั้นถ้าจะถามบอกว่าข้อเนี้หมายถึงอาหารอะไร นำอะไรมาให้อาหารอะไรนําอาหารอะไรมาให้กาวลิงกะลาหารนํารูปอันมีโอชาเป็นที่แปดมากาวลิงกะลาหารนําโอชาเป็นที่แปดนำอะไรละโอชาเป็นที่แปดดินน้ําไฟดินน้ําไฟลมสีกินรสโอชะเนี่ยมีโอชาธาตุเป็นที่แปดกาวลิงกรลาหารเนี่ยนําวิตามินแปดชั้ไอเนี่ะไอรูปแปดรูปนี่แหละ ที่เป็นอาหารน่ะนำมาให้ใช่ไหมตัวไก่วลิงกอาหาน่ะนำตัวนี้มาให้แล้วผัสสอาหารน่ะนำอะไรมาให้นำเวทนาสามมาให้สุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมาสุขเวทนานี่ยตัวผัสสอาหารนำมาให้และมโนสัญเจตนาอาหารนำพบสามมาให้กามาพบรูปพบอารูปพบใช่ไหมนี่มอบให้เหลยเอาพบสาม นี่มโนสัจเจตานาอาหารยื่นพบมาให้และก็วิญญาณอาหารนำปฏิสนธิวิและก็และนามรูปมาให้ถามบอกว่านำมายอย่างไรอันนำมายอย่างไรก็ต้องบอกว่าอันดับแรกกวลิงกราาหารพอวางไว้ที่ปากเท่านั้นเนี่ยก็ทำรูปแปดรูปให้ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยวางไว้ที่ลิ้นปุ๊บเนี่ยเขาทำรูปแปดรูปตั้งขึ้นแล้ว ดินน้ำไฟลมสีกินรถโอชาธาต์เห็นไหมแค่เอาอ้าปากปุ๊บแล้วเอาอาหารวางที่ลิ้นปุ๊บเนี่ยวางไว้ที่ปากะรูปแดรูปตั้งขึ้นแล้วแต่มเมล็ดข้าวแต่มเมล็ดที่ฟันเคี้ยวละเอียดกลืนลงไปให้รู้ว่าอย่างละแดรูปตั้งขึ้นทันทีเอาดิเคี้ยวหนึ่งครั้ง8ดรูปตั้งขึ้นแต่ละจุดนะแต่ละจุดท้า ถ้าถ้าเคี้ยวมากจะได้ประโยชน์หมจะได้โอจะได้กวลิงกลาหานมากจะได้ขจะได้โอชามากจะได้โอชาธาตุเป็นที่แปดมากต่อไปควรเคี้ยวมากๆจะได้โอชาทาตุถ้าเคี้ยวมากๆนี่บวกด้วยตันหาเขาดีไหมเอาตันหาไปบวกเขาดีเคี้ยวมากๆดีแต่อย่าไปบวก้วยตันหาใช่ไหมเอาโอชาเป็นรูป ก, ววกาวลินกาาหานำรูปมีโอชาเป็นที่แปดมาด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการที่ว่าถ้ามาตั้งครั้งแรกปุ๊บได้แปดรูปเคี้ยวแต่ละครั้งเนะี่ยทุกหน่วยอนูที่เคี้ยวเข้าไปเนี่ยนะจะได้แปดรูปตั้งขึ้นแปดรูปตั้งขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนับไปเลยนะนับแบบหยาบๆเรานับแบบกี่ครั้งเอาละกันเรียนพยุติ์ศต่อไปนับเลยนะเอาพอตั้งครั้งแรกนี้ก็ได้แปดแล้วใช่ไหม เคี่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ได้แปดเคี่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ได้แปดนะนับนั บ, น, บนับเล่นๆไปเงี้ยคำหนึ่งเคี่ยวสักห้าสิบครั้งแปดห้าเ <c oughs> ท่าไหร่ฮะไม้ห้าสิบครั้งเฮ้ยโอ้ก็อย่างนี้ไปได้เนี่นะ <c oughs> เยเนีได้สี่ร้อยเลยโอ้โหได้ได้สี่ร้อยนะทแล้วข้าวคำหนึ่งได้ได้ได้โอชาท่านภาษาหาร ภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำสุขเวทนามาให้ถ้าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเขก็นำทุกวเวทนามนำทุกขมาให้และที่เป็นที่ตั้งแห่งอทุกข์มสุขวเวทนาก็นำอทุกข์มสุขเวทนามาให้รวมความว่าภาษานั้นก็นำเวทนาสามมาให้ด้วยประการทั้งปวงอย่างนี้ว่าไงเออพิจารณาอย่างนี้นะพวกเราชอบบ่นกันนะ แม้วันนี้ทุกจริงๆกว่าไงวันนี้ทุกมากทุกจริงๆก็ว่าไงไอ้ที่ทุกมากทุกจริงๆเ น, นี่ยใครนํามาผัสสะนาทุกขเวทนามาให้ใช่ไหมเอถ้าสืบไปอย่างนี้มันก็จะเริ่มไม่ก็อยากจะโกรธคนนะมนุษย์ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสืบค้นพิจารณาอย่างเนี้ยจะเริ่มเห็นความจริงใช่ไหมมโนสัญเจตน า, าหารนํากามมาพบมาให้ แกผู้เข้าถึงกามมพบนำพบนั้นๆมาให้แก่ผู้เข้าถึงรูปประพบและรูปประพบเออถ้ามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้บอกว่าอื้อเนี่ยไอ้พบสามนี่นะถ้าบอกว่ามโนสัญเจตนาหารถ้าจะนำกามมพบมาให้สําหรับบุคคลที่เข้าถึงการมมาพบจะนำอบายภูมิมาให้แก่ผู้ที่เข้าถึงอบายภูมิมโนสัญเจตนาหารเป็นผู้นำมาให้ตักว่าตอนนี้เป็นผู้มอบให้ประมวลให้นำมาให้ ส่งให้นลยนะน่าชื่นใจเมื่อมโนสัญเจตนาอาหารนําพบเนี่ยนําถ้านําพบบริการเป็นมนุษย์มาให้โอ้โหดีใจต้อนรับกันใหญ่ออกมาเอาอย่างนี้เนี่ยลักษณะของการนําของอาหารสี่นะกัวริงกลาอาหารกัวริงกลาอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารแล้ก็วิญญาณอาหาร ทั้งสี่อย่างเหล่านี้นะย่อมเป็นผู้ที่นำทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของอาหารนะ่นะถ้าถามบอกว่าวิญญาณอาหารนำนามรูปในขณะปฏิสนธิมาอย่างนี้เนะี่ยท่านกล่าวว่ากุศลเจตนาที่เป็นกุศลที่มีอาสวะเท่านั้นว่าเป็นมโนสัญเจตนาอาหารนาพบสามมาให้ก็แปลว่าอะไรตัวกุศล กุศลเจตนาอันเป็นกุศลที่มีอาสวะถ้ากุศลนั้นไม่มีอาสวะสามเออถ้าไม่มีอาสวะเนยะก็ไม่สามารถที่จะเป็นมโนสัญเจตนาหารที่นำการมาพบรูปประพบแล้วรูปประพบมาให้ได้ถ้าพิจารณานี้ถามว่าตัวกุศลเนี่ยตัวกุศลที่นำพบมาให้ถูก ไ, ไหมตัวมโนสัญเจตนาหารต้องเป็น มโนสัญเจตานาอาหารที่มีอาสวะถ้ามโนสนะมโนสัญเจตานาอาหารที่อยู่ในสันดานของบุคคลที่ไม่มีอาสวะแปลว่าท่านไม่นำพบมาให้ทีนี้วิญญาณอาหารท่านก็กล่าวว่าวิญญาณอาหารเนี่ยนะนำนามรูปในขณะปันิสุนที่มาให้แต่ว่าโดยไม่แปล ก, กันปันจจัยเหล่านั้นพึงทราบว่าอาหารเพราะนำมาซึ่งสัมปเยตธรรม ด้ปัจจัยมีปัจจัยนะนั้นเป็นสมุธฐานม ar, า agna, ah an, engineer, Then, region, ization. like. ให้ในบรรดาอาหารทั้ง4อย่างกวริงกราหารเมื่อจะค้ามตุนจุนย่อมย่อมทำอาหารลกิจให้สําเร็จได้ผัสสะผัสสาหารก็ถูกต้องให้อาหารและกิจสําเร็จได้มโนสัญเจตนาหารก็ประมวลมาให้อาหารและกิจสําเร็จได้วิญญาณอาหารก็รู้แจ้งก็นําให้อาหารและกิจสําเร็จได้เช่นกันถามว่าให้สําเร็จอย่างไรกวริงกราหารเนี่ยข้าจุนย่อมมีเพื่อความดํารงอยู่เน่ยสัตว์ทั้งหลายใช่ไหม ถ้าสัตว์ทั้งหลายที่มีกายเนี่ยมีรูปรกายมีรูปรขันเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ก็จะต้องอาศัยกาวริงกรหาหันก็กายนั้นแม้กรรมให้เกิดขึ้นอันกาวริงกรหาหารันข้้มจุนย่อมดำรงอยู่ตลอดปริมาณอายุ10ปีจนถึง100ปีเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียวกว่ากรรม เ, เป็นตัวกาหนดเปรียบเหมือนสเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนเด็ก แม่มารดาให้เกิดมาถูกแม่นมให้ดื่มนมเป็นต้นเลี้ยงดูย่อมดำรงอยู่ได้นานและเปรียบเสมือนเรือนเรือนนอนเนี่ยเรือนเรือนเน่ยที่เสาค้ำจุนไว้ห้อแล้ามั น, นจริงๆนะบ้านเนี่ยเนี่ยบ้านเนี่ยที่อยู่ได้ ม, มีเสาค้ำไว้นะร่างกายเนี่ยไม่มีกระลิงกราหานีลลน่ล้มเลยนะล้มระว้วบงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรือนมืมเมื่อจะล้มถูก ไม้เครื่องเรือนอย่างอื่นค้ำไว้เรือนนั้นก็ไม่ล้มชั้นใดมหาวพิษอันกายเหล่านี้ก็เหมือนกันดำรงอยู่ได้เพราะอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้กวริงกลาหารเมื่อจะค้ำจุนย่อมทําให้อาหารกิจสําเร็จได้ด้วยอาการอย่างนี้ส่วนการิงกาหารไม่ให้อาหารกิจสําเร็จได้อย่างนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปสันตติทั้งสองคือทั้งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานและทั้งที่เป็นอุปาทินกะ เห็นไหมอะถ้าถามบอกว่ากะวะัวลินกลาอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรด้วยเป็นปัจจัยแก่รูปที่เป็นมีอาหารเป็นสมุทฐานด้วยและเป็นปัจจัยแก่รูปที่เป็นอุปาทินกะอาหารเป็นอนุปาลสติเป็นปัจจัยที่ตามรักษาก็ไดอยู่ไหมตามรักษาแก่รูปที่เกิดจากกรรมใช่ไหมรูปที่เกิดจากกรรมแต่อาหารนี่เป็นชน ก, กัสติไหมให้อาหารชื้อโรคเกิด เป็นชนกสติเป็นปัจจัยให้เกิดแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานแต่ไปอุปถัมป์ไปไปอุปถัมป์แก่รูปไปอุปถัมป์แก่อาหารที่เกิดจากกรรมใช่ไหมไปไปอุปถัมป์แก่อาหารที่เกิดจากกรรมด้วยอนุบาลกสติถ้าไปอนุบาลรักษานะีแต่ถ้าเป็นปัดเป็นเป็นชนกัสสติเลยทําให้อาหารชรูปเกิดแต่ทําให้อาหารอะไรูปเกิด ส่วนภาษาเมื่อถูกต้องอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นต้นย่อมเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยความเป็นไปแห่งสุขเวทนาเป็นต้นเนี่ยเอ้ยตัวภาษาเนี่ยถ้าเรามองดูนะภาษาที่จะเป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนานสัตว์เราสัตว์โลกเนี่ยอยู่ได้ด้วยสุขเวทนาที่ที่ที่มาเป็นระยะระยะเนี่ยใช่หมไอตัวสุขเวทนาเนี่ยตัวภาษาน่มอบให้ ตัวภาษามอบฮะแล้วในขนาดเดียวกันนะเมื่อมีภาษาละก็ได้ทุกขเวทนาได้อทุกขมาสุขเวทนาด้วยไม่แปลกนะใครมีทาวานครบทั้งหก็สุขครบทั้ง6กเทาวานแล้วก็ทุกหกทั้งทั้งหทาวานแล้วก็อทุกขมาสุขทั้งหกเวานนั่นเลย <Okay. S 1> เพราะภาษาก็เป็นผู้มอบนะ <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะภาษาทั้งทาวานตาก็ทุกผ่านมาทั้งทาวานตา แม่ก็บางคนเคยพูดไหมแม่ถ้ารู้อย่างนี้ไม่มาถ้าก็ดีถ้าไม่เห็นถ้าก็สบายใจก็แบบเนี้ก็ <c oughs> กปแปรแสดงว่าภัสสะทางตวานตานนาทุกมาให้และนําทุกมาให้แล้ ว, ลวไอ้ที่ไปดูแล้วสุขใจไม่เคยพูดเนาะบางคนเนาะบอกนี่เป็นอย่างนี้นะย่อมเป็นไปเพื่อดํารงแห่งสัตว์ทั้งหลายเพ่อผู้เป็นสวยสุขเวทนาทุกเวทนาและทุกธมสุขเวทนาท่้นตัวผัสสะเนี่ยก็มอบมให้จริงๆนะ นั้นพระอริยะทั้งหลายท่านจึงพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาที่ท่านหลีกเลี่ยงใช่ไหมเพราะว่าท่านก็ยังไม่หมดเนี่ยเพราะว่าถ้าตัณหาเกิดทุกเกิดนะเนี่ยถ้าตัณหาเกิดแล้วทุกเกิดนะปุณณะใช่ไหมท่านจึงหลีกเลี่ยงว่าอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเพราะถ้าตัณหาเกิดในอุปาทานก็มา เมื่อตันหามาอุปาทานมาแล้วก็ทำกรรมอีกแล้วใช่ไหมทากรรมทำกรรมไม่มีผลเป็นไปไม่ได้นี่ยเป็นอย่างนี้ทานทั้งบอกพระอะหานหรือพราญ า, าทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่สงบเนี่ท่านชอบมากท่านจะชอบมากแต่ถ้าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยอุยที่ที่ทคลื่นนี่ชอบอยู่คนเดียวเหงาส่งเลยเหงาว้าวีอย่างนั้นเคยเป็นไหมชีวิตเหงาว้าวาีเคยเป็นหม มโนสัญเจตนาหารจะประมวลด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมและกุศลกรรมย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเพราะทําให้มูลแห่งพบสาเร็จฉะนั้นกุศลกรรมกักุศลกรรมที่เป็นมโนสัญเจตนาหารเนี่ยเขาจะเป็นมูลแห่งพบเป็นมูลแห่งกรรมมาพบเป็นมุมเห็นรูปประพบและอรูปประพบใช่ไหมเวิญญาณอาหารเมื่อรู้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ให้นามรูปเป็นไปด้วยการอย่างนั้น ทีนี้แนบรรดาอาหารทั้งสี่อย่างเหล่านั้นเนี่ยที่ให้อาหารและกิจสําเร็จด้วยอำนาจา ก, การค้าจุนเน่ยพึงทราบภัยของอาหารทั้งสี่อย่างเนี่ยเออถามว่าอาหารสี่อย่างมีภัยไหมมีโทษไหมมีความน่ากลัวอยู่ในอ า, อาหารสี่ไหมอ่ะกล่าวว่าลิงกราอาหารก่อนภัยเกิดแต่ความติดใจในกาวลิงกราอาหารภัยคือเข้าไปหาผัสสะภัยคือการประมวลมาใน ของมนสษยเจยตาอาหารภัยคือการตกไปในปฏิสนธิวิญญาณเนะเพราะเหตุไรสัตว์ทั้งหลายติดใจในเกาลิงกะลาหารแล้วนะก็มุ่งความเย็นเป็นต้นเบื้องหน้าเพื่อทําการมีวิชาการต่างต่อาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ทั้งหลายอะยกตัวอย่างนะเอานักบวชก่อนนักบวชทั้งหลายถ้าติดใจในเกาลิงกะลาหาร มุ่งหาความเย็นใช่ไหมมุ่งหาความเย็นความสงบด้วยการที่ต้องการที่จะมีอาหารมีอาหารเนี่ยมีของใช้ของอะไรกลุ่มอาหารทั้งนั้นใช่ ม, มุ่งมุ่งที่จะมีอาหารเบื้องหน้าก็ทำการมุทธาคณ า, า่ะมีวิชาคำนวณเป็นต้นเริ่มแล้วเริ่มคำนวณเริ่มอ่าหวังได้ลาบสกาล่างเ่ยอสมมุติว่างี้นะ ถ้าหวังเงินเนี่ยเพื่อจะได้อาหารใช่ไหมตัณหาคืออย่างนี้ว่าตัณหานี่เป็นปัจจัยให้ได้กาวลิงเวลาอาหารไม่กาวะลิงกะลาหารด้วยทุกรูปแบบชาวบ้านก็ทํางานเนี่ยประชาชนทั่วๆไปก็คือประกอบการงานนี่หวังอะไรกาะวะลิงกะลาหารใช่ไหมว่าทุกอย่างอะเรียนกันออกเรียนอวิชาไหนที่ตลาดเขาลองรับออกเรียน วิชาคำนวณวิชาเลขวิชาเกี่ยวกับช่างเรือนช่างไฟอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เพราะว่าตันหาใช่ไหมมีตันหาเป็นแดนเกิดมีตันหาเป็นสมุทไทยมีตันหาเป็นต้นเขาเป็นต้นเนี่ยเนะี่ยไอ้ตันหานี่ก็นำเหตุเป็นปันใจจใัยเกิดอาหารทีนี้เมื่อต้องการอาหารย่อมประสบความทุกข์มิใช่น้อยเั้นบางพวกในบวชในศาสนานี้แล้วก็สแสวงอาหาร ด้วยอนเนสนากรรมมีวิชาเวชกรรมเป็นต้นย่อมถูกตีเตียนในปัจจุบันแม้ในพบหน้าก็ย่อมเป็นสมณะเปรตในสัมปรายพบก็ต้องแสวงหาในในลักษณะสั่งยุทธเนี่ยนะคือคือภิกษุเนี่ยในลักษณะสั่งยุทธ์มีเปรตยี่มพวกหนึง่งสังัติผาดแล้วก็ไฟลุกอยู่ใช่ไหมไฟลุกอยู่พระพุทธเจ้าก็นามาแสดง ในคำสอนก็มีในรักษาสั่งยุธ์บอกว่าเนี่ยโทษของการแสวงหาอาหารผิดพลาดโทษของการแสวงหาอาหารผิดก็คือเป็นกลุ่มอเนสนาบ้างแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐบ้างทาพวกเวชกรรมบ้างนะทายาทำอะไรต่างๆนะ่านเป็นต้นก็คือเนี่ยก็ไปเป็นสมณะผิมันเป็นได้หมดแล้วครับถ้าเป็นโยม ก็เป็นโยมเปลลดเนนะี่ยใช่ไหมจ๊ะมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็แล้วแต่ครับนี่มันมันมันโทษของอาหารไงนี่กลุ่มพวกนี้ก็คือโทษของก ว, วริงกลาอาหารโดยแท้พอโทษของอาหารเนะีทีนี้มันไปนปฏิบัติผิดในการสแสวงหาเพราะการสแสวงหาด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมตัณหาก็ประมวลทํากรรมเมื่อทํากรรมก็เลยได้จุดผิดภลาดนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ ความติดใจในอาหารเนี่ยพึงทราบว่าเป็นภัยในปัจจุบันภพในปัจจุบันภพก็โดนบัณดิตตีเตียนทั้งหลายใช่ไแต่ในสัมปรายภพก็คือเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้น่ากลัวไหมเนี่ยโทษของอาหารทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนโดยประการและทั้งปวงในการกำหนดพิจารณาอย่างมากในการเคี้ยวกินอาหารโลกไม่ใช่พระองค์ไม่เห็นประโยชน์นะเห็นประโยชน์ในการที่ว่า ถ้าปล่อยให้ตันหาเกิดขึ้นนะทุกจะตามมามากมายใช่ไหมพยายามบอกพวกเราบ่อยครั้งนะ้วเอออย่ากินนอะาหารเนะ่ต้องกำหนดบางเนะ้อบางเ น, น้ปัจจโจเอกพิ จ, จะะารณากันบ้างหรือเปล่ากันคาว่าชอบกินไปคุยไปนะบางคนก็แค่ท่องท่องเสร็จโอโหลุยเป็นหน้าคองเลยตอนนะี้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่ให้ตันหาเกิดตรงนี้เนะี่ยเป็นโทษที่จะปฏิบัติได้เฉพาะตนนะเฉพาะตนนะ แนะนำกันได้แต่ใครได้หรือไม่ได้ก็คนละเรื่องกันเลยเลผู้ยินดีในพรรษะย่อมเข้าไปใกล้พรรษาก็ย่อมผิดในพันทะมีเมียเขาเป็นต้นเนี่ยนะอ้ยินดีในพรรษานี่ยเออถ้าถามเป็นพระเนี่ยถ้าไปยินดีในพรรษาผิดพลาดไม่ต้องอะไรเพราะพรรษาในด้านของของเนี่ยนะของนุ่มๆของอะไรต่างๆอะไรเนี่ยเสียหายอีกแล้วนี่ผิดพลาด มโนสัมภ uh ัสสะผิดพลาดอีกแล้วนะผิดพลาดทางใจก่อนแล้วคิดต่อเขาผิดพลาดนี่ยเออพอเราเห็นโยมมาเนี่ยวุ้ยคิดกับโยมผิดพลาดเนี่ยใช่มเห็นไหมอันนี่เป็นอะไรมโนเป็นก็ตั้หาเป็นเหตุให้ภาษาเกิดน้อมที่จะทําให้ได้มโนสัมภัสสะนะพอมโนสัมภัสสะเกิดอย่างนั้นได้สุขที่จริงสุขเวทนาเกิดไหมสุขเวทนาเกิดไหมเวลานึกถึงกรรมมคุณเนี่ย สุขเวทนาก็เกิดทีนี้พอสุขเวทนาเกิดเดี๋ยนี้ตัณหาเกิดพอตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอุปาทานเกิดทํากรรมอีกแล้วโอ้เสียหายแล้วพอทํากรรมเนี่ยมโนสังเจตนาขณะยื่นพบมาให้รอแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะดงนั้นถ้าหากว่าที่คนอื่นเขารักษาคุ้มครองไว้เจ้าของบันชาคือสามีเขาจับเอาคนเหล่านั้นมาก็พร้อมทั้ง ฟันธ้าละมียแล้วก็ตัดเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วก็ทิ้งไปในกองขยะ <Yeah. S 1> หรือมอบถวายแกพระราชา <Yeah. S 1> แต่นั้นพระราชาก็รับสั่งให้ลงอาชญกรรมต่างๆเหล่านั้นเมื่อตายพวะกายแตกก็มีทุกขตีมีอบายทุกขติวิบตัติเป็นต้นเป็นภัยนะนี่ภัยในะปัจจุบันนะพบก็ดีภัยในะพบหน้าก็ดีซึ่งก็มีความยินดีในผัสสะนั่นเองเป็นมูลเหตุด้วยประการดังที่ได้กล่าวมาอย่างนี้ว่า ฉันผัสสาหารจรึงนำทุกมาให้อย่างมากมายจริงๆถ้าหากว่าพิจารณาในลักษณะนี้ถ้าในสมัยครั้งพุทธกาลนะถ้ากลุ่มบุคคลที่ไปผิดเนี่ยนะไปปฏิบัติผิดต่อไ ป, ไปทำทำกรรมเนี่ยอนายกในปัจจุบันนายกบางแห่งบางที่เนี่ยนะนายยกตัวอย่างเช่นไปผิดไปกระทำมีดีมีร้ายต่อเพียตรงเงินข้ามอันนี้มันโทษของผัสสานะใช่ไหม ภาษานี่ต่อมาโดนทํากรรมในปัจจุบันนี้โอ้โหโดนตัดมือตัดเท้าตัดหูโดนแทงทะลุอะไรในกรรมกรสามสองประการเนี่ยนะสมัยก่อนก็ลงโทษก็พวกที่ทําบาปทํากรรมอย่างนี้นะี่แหละบางทีก็ไปประพฤติผิดในบุคคลอื่นเข้าๆเนี่ยนะในของของบุคคลอื่นเข้าๆเนี่ยก็โดนทําโทษอันนี้เรียกว่าเป็นโทษในปัจจุบันห่ืงนส่วนโทษในอนาคตอบาย ทุกติวินิบาตนารกอันนี้เป็นภาษานำให้ทีนี้ประการต่อมาเพราะประมวลกุศลรกรรมและกุศลรกรรมภัยในภพสามซึ่งมีกุศลกรรมกกุศลกรรมเป็นตัวมูลเป็นตัวเหตุเนี่ยนะจึงมาพร้อมกันทั้งหมดด้วยเหตุนี้การประมวลมาของมโนสัญเจตนาหาน่ะพึงทราบว่าเป็นภยัย เออถ้าเขาพิจารณาเขาพิจารณาอย่างไรเนะี่ยมโนสัญเจตนาหาให้พิจารณาเหมือนอะไรเหมือนอะไรดิเขามอบอะไรมาให้มโนสัญเจตนาหาน่ะหลุมฐานเพิงเหมือนหลุมฐานเพิงโดนผักลงไปอนะ่ะเนี่ยผักลงไปในหะลุมฐานเพิงที่จริงแต่ถามว่าเหมือนรางวัล น, นะสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติแหละมีอย่างงี้อย่างยอมอย่างยอมหมูเนี่ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อประมาณหน่อยนะ เขาอะไรมาให้หรู้ไหมมอบขันห้าไว้เอารักษาอย่ใช่ไหมไอการไอการที่มอบให้ในลักษณะอย่างนี้คือมโนสัญเจตนาอาหารเป็นผู้มอบอันนี้ขนาดกุศลกรรมมอบมายัางทุกปันนี้เนะ่ยนี้ขนาดกุศลกรรมมอบให้ยังทุกถึงปานนี้เนะถ้าหากอากุศลกรรมมอบไปใช่ไหมเอาเป็นอบายศัตร์เลยโอ้โหตกจริงจรนี่เขามอบเป็นภัยในลักษณะอย่างนี้ ปฏิสนธฑที่วิญญาณตกไปในที่ใดๆก็ถือเอาปฏิสนธฑที่นามปฏิสนธิรูปเกิดขึ้นในที่นั้นนะเมื่อปฏิสนธฑที่นามรูปเกิดขึ้นมาแล้วภัยทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเพราะมีปฏิสนธินามรูปนั้นแหละเป็นมูลด้วยประการฉะนั้นการตกไปแห่งวิญญาณอาหารหรือปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นภัยดังนั้นเป็นภัยสรุปแล้วคือว่ากาวริงกรอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภัยโดยฐานนะที่ว่า เหมือนสามีภรรยาเนะี่ยกินบุตรของตอนเองนะเป็นภัยเขาเป็นภัยมากก็บอกให้เห็นโทษอย่างนั้นฉีกเนื้อบุตรกินเนะ่ยที่ตนเองอยู่ในทะเลทรายอนยะ่างนั้นนะเน่ยคือลูกตายแล้วเนะี่ยภาษาอาหารก็เหมือนวัวถลกหนังออกเหมือนวัวโถนกถลกหนังออกนะแล้วก็ไปเยือนยอยู่อะไรผ่านมาแวบเดี๋ยวก็สะดุ้งให้เห็นด้วยความเป็นภัยอย่างนั้นมโนสัญเจตนาอาหารก็เหมือน ลงไปในหลุมฐานเพิงอย่างนันผักนะโดนผักลงไปอย่างนั้นส่วนว่าวิญญาณอาหารก็เหมือนโดนหอกร้อยเล่มทิมแทงอย่างนันเช้าเย็นเช้าเย็นเงี้นนี่เป็นอย่างนี้คําว่ากิงนิทานาเนี่ยนะนิทานะเนี่ยก็แปลว่าเหตุเกิดคําว่านิทานะนี่นะไอ้ที่จริงอ่ะศัพท์เหล่านี้เป็นไวยพจน์ของกาลนาคือของเหตุ ย่อมมอบผลมาให้คล้ายจะมอบให้ว่าเชิญรับสิ่งนั้นเธอเนี่ยในลักษณะอย่างนั้นนะเอาเชิญรับสิ่งนี้ไปนะเนี่ยมอบของสิ่งนี้ไปเอาเชิญรับไปแล้วตามรักษาในลักษณะอย่างนั้นใะคำว่าเหตุเหตุเกิดที่เป็นแดนเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะท่านจึงเรียกว่าเป็นนิทานนะเพราะเป็นเหตุที่ผุดเขาเรียกเหตุที่ผุดคือเกิดได้ได้แก่อะไรได้แก่เกิดก่อนแต่เหตุนั้นเพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่าสมุทโยชาติปภวเวเป็นต้นเนี่ยนะในเฉพาะบทก็คืออะไรเป็นแดนมอบให้เหตุเหล่านั้นว่าเหตุเหล่านั้นชื่อว่ากิงนิทานาอะไรเป็นแดนก่อให้เกิดแห่งเหตุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิงสมุทยาอะไรเป็นแดนเกิดเหตุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิงชาติกาอะไรเป็นแดนเกิดของเหตุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิงปภวาเพราะเหตุ เพราะตันหาของคนเหล่านั้นเป็นเป็นแดนมอบให้เป็นเหตุก่อให้เกิดเป็นความเกิดและเป็นแดนเกิดก่อนโดยคือในเองอัดตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่างั้นั้นในทุกๆุทกบทนั้นนะเออถ้าดูจากตรงนี้จะบอกอิเมจจัตารวหาลาตันหานิธานานี้พึงทราบตามเหตุแห่งอาหารกล่าวคืออัตภาพนะตั้งแต่ปฏิสนธิเดิมหน้าถึ่ตันหาในก่อนๆถามว่าทราบอย่างไร อันดับแรกในขณะปฏิสนธิเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่มีอายตนะบริบูรณ์อายตนะมีบุญมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอายตนะคือใจเนี่ยนะมีโอชาที่เกิดในภายในของั้นรูปที่เกิดขึ้นด้วยหน้าทิ้งสันตติแค่สันตติเท่าไหร่ดิรูปที่เกิดด้วยหน้าทิ้งสันตติสัตว์ที่เหลือมีโอชาเกิดภายในรูปที่เกิดขึ้นด้วยหน้าทิ้งสันตติที่หย่อนกว่านั้น นี้ชื่อว่ากัลวิงกลาหารที่เป็นอุปาทินกะมีตัณหาเป็นเหตุมองเห็นไอกว่าเข้าใจคํานี้ไหมมีตัณหาเป็นเหตุเลยนะไอตัวไอตัวกัลวิงกลาหารเน่ยที่เกิดในขณะปฏิสนธิด้วยอำนาจสันตติอ่ะอำนาสันตติก็แปลว่าหลังจะสืบต่อมาแล้วได้ขนาดหนึ่งช่วงที่อาหารเกิดใช่ไหมนั่นแหละคือตัณหาเป็นปัจจัยแล้วสวนอาหารเหล่านั้นคือผัสสะเจตนาที่สัมปยุตโ ด, ดยปฏิสนธิ และที่วิญญาณภาษาเนี่ยในขณะปฏิสนธิมีภาษาไหมมีไม่มีมีมีภาษาเจตสิกในขณะปฏิสนธิขณะเนี่ยนะมีภาษามีมโนสัญเจตนาหานในนั้นไหมมีเจตนาในปฏิสนธิวิญญาณไหมตัววิญญาณก็เรียกว่าปฏิสนธิเป็นตัววิญญาณอยู่แล้วชื่อว่าภัสสะหานมโนสัญเจตนาหานวิญญาณอาหารที่เป็นอุปาทินกะมีตัณหาเป็นเหตุ เหตุนั้นแนหะอาหารที่ประกอบด้วยปฏิสนธิจิตมีตัณหาในการก่อนเป็นเหตุดังที่ได้กล่าวมาอย่างนี้เออใช่ถ้ามองอย่างนี้บอกว่าภาษาเจตนาวิญญาณในปฏิสนธิมีตัณหาเป็นเหตุตัณหาในการก่อนตัณหาเป็นอะไรเป็นอุปนิสัยไหมเป็นอุปนิสัยปัจจัยถ้าคนไม่มีตัณหาจะเกิดไว้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ คนถ้าไม่มีตัณหาแล้วไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกตัณหาเป็นเหตุให้ให้เกิดตัณหาในการก่อนเนี่ยนะพึงทราบว่าอาหารที่สัมปยุตด้วยปฏิสนธิจิตชั้นใดต่อจากนั้นก็พึงทราบอาหารที่เกิดในขณะเหงผวังกัจิต ด, ดวงแรกเป็นต้นฉันนั้นเหมือนกันอ่าในผวังดวงแรกมีอาหารไหมมีอาหารหรือไม่มีสัตว์ที่อายตนะบริบูรณ์เนี่ยอายตนะบริบูรณ์เนี่ยนะ เช่นในขณะพระวังพรจิตเนี่ยตอนนั้นน่ะเกาลิงกาลาหันมีอย่างมีอย่างอเพราะโอปาติการ์เนี่ยมีอย่างฮะมีแล้วเลยเกาลิงกาลาหันมีอยั ง, ง, อยงโอปาติการในขณนะปฏิทินที่ยังเนึ่ยแต่ต้องด้วยหน้าสัน ต, ติไปใช่ไหมสืบต่อไปอนั่นแหละสืบไปเจ็ดประมาณเจ็ดขณะก็ไปไหนประมาณ น, นั้นแหละ นั้นพอสืบต่อไปใช่ไหมถึงอาหารเกิดอาหารนั่นแหละมีตัณหาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยทีนี้ประการต่อมาประการต่อมาก็คือว่าผัสสาหารมโนสัญเจตานาอาหารและวิญญาณอาหารในขณะปฏิสนธิจิตก็เกิดจากตัณหาแก่เก่า ก, ก่อนเป็นปัจจัยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าถามบอกว่าแล้วในขณะปฐมปร ะ, ประวังอะ่ะปฐมประวังมีภัสสาหารไหม มีมโนสัญเจธานาหารไหมมีวิญญาณอาหารไหมมีครบเลยนะนั่นแหละก็ชื่อว่ามีตัณหาเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยนี่เป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีตัณหาเสร็จแล้วเนี่ยตัวการสืบต่อจะไม่มีเพราะสมีตัณหาเป็นอุปนิสัยนะั่นเองจึงเป็นไปด้วยอาการอย่างนั้นทีนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงทราบเฉพาะเหตุแห่งอาหารอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นอย่างนั้น ทรงทราบทั้งเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นเหตุแห่งอาหารด้วยทั้งเหตุแห่งเวทนาแม้ที่เป็นเหตุแห่งตัณหาด้วยเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงแสดงว่าพ ร, พระองค์แสดงอะไรแสดงวัตตะและแสดงวิวัตตะแสดงวัตตะคถาก็คือแสดงวัตตะคือกามประพรมรูปภูมิรมารูปภูมิใช่ไหมแสดงวิงวัตตะก็คือแสดงพระนิพพานนั่นเนี่ตัณหาจายังพิกเวกิงนิทานาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนา ให้มุ่งหมายเฉพาะในอดีตเนี่ยคือแสดงวัตถกถาโดยในที่เป็นอดีตถามว่าแสดงอย่างไรโดยยึดถืออัตภาพนี้ด้วยอำนาจแห่งอาหารตัณหานั้นน่ะได้แก่กรรมที่ยังอยังอัตภาพนี้ให้เกิดขึ้นถามว่าตัณหาได้ได้แก่กรรมที่ยังอัตภาพให้เกิดขึ้นเพราะองค์ตรัตเวทนาผัสสะตลายทุน่นามรูปและวิญญาณไว้เพื่อจะแสดงถึงอัตภาพที่ดำรงที่มิข อัตภาพที่กรรมดำรงอยู่ประมวลไว้ถ้าถามบอกว่าถ้าบอกเวทนาวิญญาณนามรูปอายตนะถามว่าถ้าแสดงอย่างนี้แสดงว่าอะไรเนี่ยอัตภาพเนี่ยที่เกิดอยู่ได้นี้ถามว่าใครเป็นคนประมวลมาให้กรรมใช่ไหมตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวประมวลมาให้และมีอวิชชาและสังขารกรรมจึงได้อัตภาพนั้นจึงให้อัตภาพนั้นเกิด พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสองประการนะคือกรรมและวิบากของกรรมโดยสังเกตว่าอัตภาพในฐานะทั้งสองกรรมที่ยังอัตภาพให้เกิดในฐานะทั้งสองทรงทำเทศนามุ่งหมายอดีตโดยเฉพาะนี่นตรงนี้ฟังให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมพูดถึงในเรื่องของอดีตของวัตตะโดยในที่เป็นอดีตด้วยประการอย่างนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ไม่ใช่มาแสดงว่าเทศนาไม่บริบูรณ์นะเพราะไม่ทรงแสดง อนาคตเขาไว้แต่เพียงเห็นว่าบริบูรณ์โดยในเปรียบเสมือนผู้มีจักรสูกรเอาคนมีจักรสูตาดีเนี่ยคนตาดีเนี่ยว่าไ น, นเด้อเห็นจระเข้นอนอยู่เหนือน้ำพอเห็นจระเข้นอนอยู่เหนือน้ำก็มุ่งหมายเฉพาะส่วนหน้าของมันเห็นไ้มเห็นเฉพาะส่วนหัวของจระเข้นี่ก็จะเห็นแต่หลักแต่คอในเข้าไปก็จะเห็นแผ่นหลัง สุดท้ายก็จะเห็นคนหางแต่มุ่งมองดูใต้ท้องแต่เมื่อมองดูใต้ท้องก็จะไม่เห็นปลายหางที่อยู่ในน้ำและก็เท้าทั้งสเพียงเท่านี้บุรุษนั้นจึงจะถือว่าจระเข้นั้นไม่สมบูรณ์คือวาอาวัยวะว่าไม่ครบเนิ่นไม่ได้คือถ้าหากว่าเห็นจระเข้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแต่ส่วนนั้นมันยังอยู่ในน้ำเนี่ยจะไปบอกว่าไม่บริบูรณ์เน่นไม่ได้ เจรกเข้นั้นมีอวั ย, ยวะครบบริบูรณ์ชั้นใดข้ออุปมาอนี้ก็พึงทราว่ชันนั้นเหมือนกันก็วัฏตาอันเป็นไปในไตรภูมิเนี่ยเปรียบเสมือนการมาพบรูปพบอารมณ์พบนี่นะวัฏฏะที่เป็นไปในการหมุนไปในการพบรูปพบในไตรภูมิภูมิสามเนี่ยนะเหมือนเจระเขคที่นอนอยู่เหนือน้ําพระโยคาวจรเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีจากสู่ยืนอยู่ริมฝั่งเวลาที่พระโยคีเห็นอาตภาพนี้โดยอํานาจแห่งอาหาร ก็เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นเห็นจระเข้ที่เหนือผิวน้ำเวลาที่ตัญหาที่ให้อัตภาพนี้เกิดเหมือนเวลาที่บุรุษนั้นเห็นเห็นคอเห็นคอเห็นคอข้างหน้าเวลาที่เห็นอัตภาพที่คนทำกรรมที่ประกอบด้วยตัญหาด้วยอำนาจของเวทนาเป็นต้นเหมือนเวลาที่บุรุษนั้นเห็นหลังเห็นส่วนหลังจระเข้เวลาที่อาวิชาและสังขารที่ให้อัตภาพนี้เกิด ก็เหมือนกับเวลาที่เห็นโคนหางเหมือนเห็นโคนหางจอรเ์เกียนะก็ปัจจัยในวัตตะเนี่ยนะปัจจัยวัตตะไม่มาในบาลีใดๆในข้อนั้นอย่าถือว่าเทศนาไม่ไม่บริบูรณ์นะในอาหารเสียปัจจัยบางปัจจัยที่ไม่แสดงไว้แต่อย่าไปกล่าวว่าเทศนาคํากล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่บริบูรณ์พึงถือโดยเอาในว่าลราบริบูรณ์ทีเดียวเหมั้นเรียบเสมืเหตุผลเนี้ยบุรุษเนี้ย เมื่อมองดูใต้ท้องแม้จะไม่เห็นปลายหางและเท้าทั้งสี่ก็ไม่ถือว่าจระเข้มเยาัย ว, ว่าไม่สมบูรณ์แต่ให้ถือโดยนายว่าบริบูรณ์ฉันนั้นแม้ในข้อนั้นทรงแสดงวัาตตะมีสนทิใช่ไหมสนธิมีเท่าไหร่เนี่ยสนที่สเป็นต้นเนี่ยนะคือคือระหว่างอาหารและตันหาจัดเป็นสันที่หนึ่งระหว่างตันหาและเจตนาจัดเป็นสันที่หนึ่ง ระหว่างวิญญาณและสังขารก็จัดเป็นส่วนที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยจัดเป็นองค์ปฏิจจ์ได้แล้วแค่เนี้ยได้ได้ได้ส่วนที่สามออกมาจัดได้แล้วระหว่างอะไรกับอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างอาหารกับตันหาระหว่างตันหากับเจตนาระหว่างวิญญาณกับสังขารเนี่ยจัดเป็นส่วนที่ส่วนที่แปเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ นี่ลักษณะนี้ก็าบอกว่าเป็นการเทศนาในเรื่องของอาหารสี่เดีย๋ยวพิจารณาอีกอย่างในตรงนี้สรุปตรงนี้หน่อยนะในหลักสูตรในมัชชาปริโยสาาณาธิปริโยมปฏิรมเทศนาประโยชน์ให้ถอรู้ถึงเหตุผลตามลำดับสมุรฐานของอาหาทั้งสีอง่อันเป็นผู้นำของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุ บ, นบันภพร่างกายของสัตว์ทั้งหลายจะอยู่เจริญเติบโตได้ อาศัยกาวริงกระอาหารเป็นผู้นำ อ, อย่างหนึ่งนั่นเองโศกทุกเฉยๆก็อาศัยภาษาหานนำมาให้แล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมต่างๆทั้งหมดอาศัยมโนโสัญเจตนาหารใช่ไหมก็นาพบมาให้ทีนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพศหญิงเพศชายเป็นต้นก็อาศัยปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณ น, นำมาให้สำหรับในประวัติการเป็นไงความยินดีความยินร้ายความ เห็นผิดเห็นถูความเลื่อมสายความเมตตากรุณาการมีปัญญาเป็นต้นเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยประวัติวิญญาณนะคือคือวิญญาณอาหารนั่นํามาให้จากขูวิญญาณเป็นต้นเนยนะอาหารสี่เป็นผู้นําสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ทํากิจการงานต่างๆจนตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยเวทนาเวทนาจะเกิดก็อาศัยภาษาภาษาจะเกิดอาศัยอายาตนาอายาตนะ จะเกิดก็สายนามรูปนามรูปจะเกิดอาศัยอะไรวิญญาณวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็สายสังขารสังขารจะเกิดขึ้นได้ก็สายอวิชชาเป็นเหตุเป็นการชีย่ยเห็นเหตุที่เป็นไปตามลดับโดยกําหนดพิจารณาอาหารสี่เป็นหลักทีนี้จะรวมความว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นสมัญต์ตภัตถะธรรมคือคำว่าสมัญตภัตถะธรรมนี้แปลว่าอะไรนี่ธรรมที่มีความดีอย่างสมบูรณ์ พ่อไม่ว่าแสดงในไหนก็เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกยังไงสมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะแต่ใครเนาจะพิจารณาในของปฏิสนุบาทในไหนแล้วบรรลุได้เนี่ยใครจะยึดเอาในไหนก็ยึดไว้ซะนึ่งเอาในไหนดีเนี่ยว่าเราจะต้องบรรลุได้โดยในการพิจารณาเป็นอย่างนี้เอาในไหนดียังรู้ไม่ทั่วเนี่ยพ่ไม่ว่าจะแสดงในไหน ผู้ฟังก็สำเร็จประโยชน์คือได้กำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคและเข้าถึงพระนิพพานได้นะนนไม่ว่าจะแสดงไหนไหนสามารถที่จะกำหนดพิจารณาเห็นได้ว่างั้นเถอะนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ยังไงแสดงบอกว่าออที่จริงว่าพระพุทธเจ้าแสดงนะที่เชตวันนะที่อารามของอนาถปิณฑิกาที่เศรษฐีที่กรุงสาวัตถีบอกว่า ผู้ตจ้าตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือผามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้จักชรลาและมรณนะไม่รู้จักเหตุเกิดชรลาและมรณนะไม่รู้จักความดับแห่งชรลาและมรณนะไม่รู้จักปฏิปทาถึงความดับแห่งชรลาและมรณะนี่แปลว่าไม่รู้จักอะไรเนี่ยไม่รู้จักปฏิจจกในอริยสัจสี่เหนไม่รู้จักปฏิจจะในอริยสัจสี่ ไม่รู้จักชาามรณะไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งชาาและมรณะไม่รู้จักความดับแห่งชาาและมลณะไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับชราและมลณะไม่รู้จักชาาและเมรณนะนี่หมายถึงไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักทุกคือไม่รู้จกัก <Monet> ทุกว่าชราและมรณะวันนี้ทุกเนี่ยไม่รู้ Groß ไม่รู้แบบไหนไม่รู้ด้วยยาตาปริญญา ไม่รู้โดยตีระาปริญญาใช่ไมไม่รู้เลยว่าชลาและมรณะเนี่ยว่าตัวชลาเป็นยังไงไอตัวมรณะนี่เป็นยังไงและชลามรณะเนี่ยไม่เที่ยงเป็นยังไงเป็นทุกข์เป็นยังไ ง, เ ป, เ, ป ง, ไงเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยพอไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไม่รู้จากเหตุเกิดของชลาและมรณนะเหตุเกิดของชลาและมรณะคืออะไรครับนี่ชาติบว ก, กะอะไรบว ก, กะอะไรดิบวกตัณหา ใช่ไหมชาติบวกตันหาใช่ไหมใชะนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดชลาแล้วหมดแล้วนะเอาตันหาบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะนั่นแหละเหตุเกิดของเขาชาติบวกตันหานั่นแหละคือไม่รู้จากเหตุเกิดของชลาแล้วหมดแล้วนะไม่รู้ตันหาใช่ไหมไม่รู้แบบไหนพอไม่รู้ก็เลยไม่ทําปะหานะบริญญาก็เลยไม่ละไม่ละเหตุเกิดไม่รู้จากความดับชลาแล้วหมดแล้วนะคือไม่รู้จากอะไรตัวนี้ ไม่รู้จักพระนิพพานใช่ไหมว่าโอ๊ยไม่เห็นว่าถ้าชะลาเมลณะดับนี่คือนิพพานนะถ้าดับแล้วไม่เกิดเนี่ยไม่รู้จักชะลาและเมลณะความดับไม่รู้จักปฏิปทาให้เข้าถึงความดับแห่งชะลาและมลณะไม่รู้จักอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้จักอริยมรรคยงแปดไม่รู้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่ไม่รู้อย่างนี้ У> อ่นรองว่าตามลำดับไปดไม่รู้จักชาติว่ายยังไงไม่รู้จักชาติไม่รู้จักเหตุเกิดของชาติไม่รู้จักความดับของชาติไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของชาติไม่รู้จักภพไม่รู้จักเหตุเกิดของภพไม่รู้จักความดับภพไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของภพ ไม่รู้จักอุปาทานไม่รู้จักเหตุเกิดของอุปาทานไม่รู้จกักความดับอุปาทานไม่รู้จกักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอุปาทานไม่รู้จกักตันหาไม่รู้จักเหตุเกิดของตันหาไม่รู้จักความดับแห่งตันหาไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตันหา ไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักความดับเวทนาไม่รู้จักเหตุเดบเหตุของเวทนาไม่รู้จักความดับของเวทนาไม่รู้จักข้อปฏิบัติความงเวทนาไม่รู้จากผัสสะไม่รู้จักเหตุเกิดของผัสสะไม่รู้จักความดับของผัสสะ ไม่รู้จากข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับเหตุของสัตว์ความดับไม่รู้จากความดับของภาษะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของภาษาไม่รู้จากสรายตนะไม่รู้จากเหตุเกิดของสรายตนะไม่รู้จากความดับชลามรัรลายตนะไม่รู้จากความดับสระ สราแลราญาตนะ um. ไม่รู้จากนามร Constitution. ูป in <meno> ไม่รู้จากเหตุเกิดของนามรูปไม่รู้จากความดับของนามรูปไม่รู้จากข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของนามรูปไม่รู้จากเวทวิญญาณไม่รู้จากเหตุเกิดของวิญญาณไม่รู้จากเหตุ ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของวิญญาณไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักเหตุเกิดของสังขารไม่รู้จากไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของสังขารไม่รู้ดับไม่รู้ไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักอวิชชาไม่รู้จักเหตุ ไม่รู้ความดับไม่รู้รเขาบอกอสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนหรือสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่ของพราหมณ์นั้นหาได้ไหมบอกถ้าไม่รู้จักเหล่านี้จะไปสมมุติว่าตนเองเป็นสมมะในหมู่ของสมณะาไม่ได้จะไปสมมุติว่าตนเองเป็นพราหมณ์ในหมู่ของพราหมณ์ไม่ได้หมายถึงพระลรหันนะไหมหมายถึงพระละน และท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมาณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมาณะหรือพ ร, อมรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้จากชาราและมราณะรู้จากเหตุเกิดของชาราและมรณะรู้จากความดับของชารามราณะรู้จากปฏิทาให้เข้าถึงความดับชาาและมราณะ แล้วก็รู้จักชาติรู้จักพบรู้จักอุปาทานรู้จักตัณหารู้จักเวทนารู้จักผัสสะรู้จักอาตนารู้จักนามรูปรู้จักวิญญาณรู้จักสังขารรู้จักเหตุเกิดของสังขารรู้จักความดับแห่งสังขารรู้จักปฏิปทาที่จะให้เข้าถึงความดับแห่งสังขารสัมนาหรือพราหม่านั้นแลสมมุติได้ว่าเป็นสมณะในหมู่สมนาและสมมุติได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่ของพราหมณ์และท่านเหล่านั้นก็ได้ทำกระแจ้งให ได้กระทําให้แจ้งซึ่งความเป็นสมนาและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงโยู่สมมนะหรือพรรมณ์เนี่ยนะผู้ถือรัฐิภายนอกไม่สามารถแทงตลอดสัจจะทั้งสี่เหล่านี้ได้วเนี่ยถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าไม่รู้ชารามรณะด้วยอำนาจของทุกขสัจจะไม่รู้เหตุเกิดชาราและรณาด้วยอนาจถึงสมุทัยสัจจะชาต กับตันหานี่เป็นเหตุของชร า, าและมรณะไม่รู้ความดาบแห่งชร า, าและมรณะด้วยอำนาจของนิโรธทัศจจะใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ปฏิปทาด้วยอำนาจของมรคสัจจะไม่รู้ชาดด้วยอำนาจแห่งทุกไม่รู้ชาติสมูทัยเป็นต้นในตามลําดับดังที่ได้กล่าวเนี่ยพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัจจสี่ในฐานะ11อริยสัจสี่ในฐานะสิอคือที่จริงท่านยกแค่ ชรามารณาไปจนถึงสังขารรวมสิบเอ็ดหัวข้อเนี่ยนะนี่แสดงตรงเนี้ยเอาสัจจสี่ไปแสดงในฐานะสิบเอ็ดเท่าไหร่เนี่ยสี่คูณสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่ฮะเนี่ยสี่สิบสี่อริยราาสัจสี่สิบสี่เนี่ยเอาไปทวนเอาไปตรึกบ่อยๆนะพิจารณ า, าบ่อยๆแล้วแล้วจะได้เข้าใจว่าเออเป็นอย่างนี้เนะี่ยนี่ส่งค้อให้แล้วนะ ทรงขอปฏิจจสมุบาทลงในอริยสัจสี่เป็นข้อปฏิบัติได้ไหมเริ่มได้แล้วใช่ไหมที่นี่ต่อไปย่อหมูปฏิบัติในปฏิจจสมุบาติได้แล้วไปพิจารณาให้มากเถอะเราะงั้นพิจารณาให้มากเออมีเป็นอย่างนี้ถ้าพิจารณาให้มากแล้วจะเห็นว่าเออเนี่การการตรึกการพิจารณาลงในอริยสัจนี่มีเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในปฏิจจสมุบาติธรรมจึงเป็นสมานต์ป่าพัฒกาธรรม ทำที่มีความดีอย่างสมบูรณ์นะการกําหนดรู้รู้ทุกข์ล่าสมุทรไทยทำนิโรธให้แจ้งเจริญเลยมกนะักเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานได้ก็หมายถึงอะไรปฏิจจมัวรบาทธรรมเหล่าเนี้ยเป็นอารมณ์ของปัญญาเนะี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาว่าไั้นี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยว่าไง น, น, นั่นไปพิจารณาแท้จริงอารมณ์ของวิปัสสนาเนะี่ยมีมากกว่า น, นี้มีมากกว่า น, นี้แต่กล่าวในนั้นมีปฏิจจสมบาทด้วย แต่ถามว่าในยุคปัจจุบันมีใครเอาไปพิจารณาไหมน้อยใช่ไหมน้อยฉะนั้นถ้าศึกษาต้องสามารถเอาไปตรึกพิจารณาให้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ถึงจะสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมเนี่ยเอาไปสาธยายทำความเข้าใจอย่างนี้ให้ชำนาญเลยนะพิจารณาโดยไนยะอนุโลมปฏิโลมเนี่ยและในที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงได้แสดงตามในทั้งสี่ได้ แล้วก็แสดงสายเกิดสายดับได้อย่างแสดงลักษณะเมื่อกี้ก็ได้ลงในอริยสัจ ส, สี่ก็ได้เจ๊ะไม้มจะไปบอกว่าชเขาจะโมกแหวงหงไม่ออย่างนี้บอกว่าโอ้โหเอาแล้วมีปัญหากันอีกแล้วเจ๊ะอจนบางทีมันจะนำให้สมบูรณ์มันก็นำยากใช่ไหมแต่งแล้วแต่งอีกภาพถ้าจนได้หรือยังเชื่อไหมเราทำกรรมกันเนี่ยไมก็พยายามทำอย่างดี แม้ไปไปมามามีกรรมอะไรมาตัดรอนชนิดเดียวอา้าวพิการซะอีกแล้วเนี่มันนำพบมโนสัญเจตนาหารที่เข้าถึงรูปภพก็นำรูปภพมาให้ที่เข้าถึงอรูปภพก็นำอรูปภพมาให้มโนสัญเจตนาหารย่อมนำพบสามมาให้แม้ด้วยประการทั้งปวงด้วยการอย่างนั้นส่วนวิญญาณอาหารนะนำมาซึ่งขันสามที่สามประโยชน์ ด, ด้วยปฏิสนธิวิญญาณในขณะปฏิสนธิเวทนาสัญญาสังขาร นช่ไหเลยนําตัววิญญาณและนํารูปสามสิบรูปนีที่ตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งแห่งคติสันติ์เตีย่ยด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีสาชาตตปัจจัยสาชาตานิสยะเป็นต้นเน่ยรูปสามสิบรูปก็มีกลุ่มกายธาตสักกราบสิบภาวะทะสาสกกราบอีกสิบวัตถุทสาสกกราบอีกสิบรวมเป็น30สิบรูปเนี่ยนำมาให้สําหรับเราๆนเนี่ยนะนำนำ เนี่ยเขานำมาให้ด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นตัวปฏิสนธิวิญญาณนำไหมนำเวทนาขันสัญญาขันและสังขาราขันนี่นำนามขันด้วยอำนาจของสาชาตาสาชาตานิสยสาชาตาตีสาชาตาวิขตะสัมบยุตตาอัญญมัญญาเห็นไหมด้วยอำนาจพวกนี้และยังนำรูปอีกสาสรูปด้วยอำนาจของสาชาตาชาติเหมืานิสยาสาชาตาทีสาชาตาวิขตะ และยังมีสหาชาติวิทยุ